สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยี่สิบรืองความมืดมัวฝ่ายวิญญาณครั้งที่สี่พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่หกพระธรรมยอห์นบทที่หกข้อที่สามสิบห้าจนถึงข้อที่ห้าสิบเก้าโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว ผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยแต่เราได้บอกท่านทั้งหลายว่าท่านได้เห็นเราแล้วแต่ก็ไม่เชื่อสารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ทิ้งเขาเลยเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อกระทตาตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทำตา ม, ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้น ก็คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเรามิให้หายไปสักคนเดียวแต่ให้ฟื้นขึ้นมาในวันที่สุดเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจในพระบุตรได้มีชีวินิจันร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายพวกยิยวจึงซุบซิบกันเรื่องพระองค์เพราะพระองค์ตัสว่าเราเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ เขาต้องหลายว่าคนนี้เป็นเยซูลูกของโยเซ่ไม่ใช่หรือพ่อแม่ของเขาเราก็รู้จักเหตุใดคนนี้จึงพูดว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์พระเยซูตรตัสตอบเขาว่าอย่าซุบซิบกันเลยไม่มีผู้ใดามาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาและจะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายมีคำเขียนไว้ในคัมภีร์ผู้เผยเพร ะ, ะนะว่าพระเจ้าจะทรงสั่งสอนขอเขาทุกคน ทุกคนได้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้จากพระบิดาก็มาถึงเราไม่มีผู้ใดได้เห็นพระบิดานอกจากท่านที่มาจากพระเจ้าท่านนั่นแหละได้เห็นพระบิดาแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราก็มีชีวิตดีหลังเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผลพระบุตรของท่านทั้งหลายได้กินมานานในถิ่นักรกันดาลและชื่นชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้ผู้ที่ได้กินแล้วไม่ตาย เราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ผู้ใดกินอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราได้ให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นคือเลือดเนื้อของเราและพวกยิวก็ทุ่มเถียงกันว่าผู้นี้จะเอาเนื้อของเราให้เรากินได้อย่างไงพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของบุมนุษย์ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขาเพราะบิดาผู้ทรงดำรงพระชนได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นจะมีชีวิตเพราะเราฉัน น, นั้น นี่แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนกับอาหารที่พูบ้บรรพระรุษได้กินและชิ้นชีวิตผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร์ถ้อยคําเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสในธรรมศาลาขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ที่เมืองคาเปรอร์นาุมีนะครับเรากลับมาถึงเมืองคาปนูมอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูสอนเรื่องอาหารแห่งชีวิตในพระเจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราพบว่าในข้อที่สามสามครับพระเยซูรตรัสว่า เพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกนี่คือข้อที่บอกเราตรงๆครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตในขณะที่ประชาชนขวนขวายอาหารพระเยซูตรัสว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยนี่เป็นคำพูดที่ยากนะครับที่ประชาชนจะเข้าใจ และเป็นแนวความคิดที่ยากแม้แต่คริสเตียนในทุกวันนี้จะเข้าใจนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายว่าอาหารฝ่ายร่างกายและอาหารฝ่ายวิญ ญ, ญาณนั้นสนองเป้าหมายคล้ายๆกันครับอาหารฝ่ายฝ่ายร่างกายนั้นให้พลังงานเพื่อร่างกายจะสามารถทํางานและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติถ้าปราศจากอาหารเราต้องตายในที่สุดส่วนอาหารฝ่ายวิญ ญ, ญาณนั้นก็จําเป็นและจำจำเป็นนะครับสําหรับการดํำรงชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์การที่เราจะมีชีวิตนิรันดร์ เราจะต้องรับอาหารฝ่ายวิญญาณจากข้อพิรานี้เองนะครับทําให้เรารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นอาหารที่เป็นฝ่ายวิญญาณครับพระเยซูทรงเป็นอาหารชนิดนี้แต่ผู้ที่ต้อนรับพระองค์ก็ได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณผู้ที่ติดสินิทกับพระองค์โดยการอ่านพระวจนะของพระองค์ในที่สถานทุกๆวันก็ได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณทุกๆวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นคริสเตียนที่แข็งแรง พี่น้องครับหากเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่แข็งแรงเราจะต้องอา่งานพระคัมภีร์อธิษฐานทุกวันตินดเส้นกับพระเจ้าไข้ครวนอยู่กับพระเจ้านิ่งกับพระเจ้าเพื่อที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าฟังการตรัสของพระองค์นี่คือคริสเตียนที่เข้มแข็งครับคริสเตียนที่อ่อนแอคือผู้ที่หยุดรับประทานอาหารฝ่ายวิญ ญ, ญาณคนที่เบื่ออาหารฝ่ายวิญ ญ, ญาณนะครับแสดงว่าเรากําลังมีโรคไฟไข้เจ็บมาเบียดเบียรแล้วครับเมื่ออาหารถูกวางนะครับบนโต๊ะต่อหน้าเราเราจะต้องรับประทานครับ จึงจะได้คุณค่าแห่งอาหารแต่ถ้าเราปฏิเสธไม่รับประทานในที่สุดนั้นก็ไม่มีคุณค่าเราจะขาดสิ่งที่บำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณของเราพี่น้องครับคริสเตียนที่ได้ต้อนรับพระเยซูก็ได้รับพระชนมของพระเจ้าคือพระกัมภีและมีสิทธิ์ในการอาธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าหลายหลาคนสละสิทธิ์นะครับหลายหคนไม่ยอมรับมอบสิทธนินี้เป็นสิทธิพิเศษที่เราจะสามารถเข้ากับพระเจ้าได้นี่คืออาหารประจําวันฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณคับ หากเราไม่ยอมหยิบพระกัมภีขึ้นมาอ่านไม่ยอมศึกษาพระกัมภีร์นะครับเราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณเรากลายเป็นผู้ที่อ่อนแอและหิวโหยขาดอาหารพี่น้องครับจากนั้นครับพระเยซูทรงอธิบายให้เราประชาชนฟังว่าพระเยซูนั้นได้เสด็จลงมาจากสวรรค์การเสด็จลงมาจากสวรรค์ของพระองค์นั้นก็คือเพื่อทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพื่อที่ให้แผนการน้ำพระทัยของพระองค์ วัตถุประสงค์ความประสงค์ของพระองค์นั้นสําเร็จทุกประการโต้องอธิบายนะครับว่าน้ำพระทัยของพระองค์ของพระเจ้านะครับน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นคืออะไรัรบในข้อที่สามสิบแปดครับเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจในพระบุตรได้มีชีวินิรันทร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเพราะเหตุที่ว่าเราที่เห็นพระบุตร และวางใจในพระองค์พระบุตรหมายถึงพระเยซูครับใครก็ตามที่ได้เห็นพระเยซูวางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันต์และในสุดนั้นเขาจะเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายหมายความว่าองครับเขาจะฟื้นขึ้นจากความตายนะครับและเขาจะได้รับร่างกายใหม่และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาได้รับชีวิตนิรันต์ที่จะไปอยู่ในพระสวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับที่นี่ทําให้เราเห็นนะครับ หลายหลายตอนด้วยกันพระเยซูได้รับมอบอํานาจจากพ่อบิดาเจ้าแต่สิ่งที่พระเยซูการันตีให้กับเรานะครับก็คือว่าผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยนั่นหมายความว่าได้พระเยซูแล้วหมดความกระหายครับไม่อยากจะได้อย่างอื่นแล้วนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือในข้อ39นะครับพระประสงค์ของพ่อบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรา รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเรามิให้หายไปสักคนเดียวพี่น้องครับนี่คือการันตีความยิ่งใหญ่และความรักการปกป้องอารักขาของพระเจ้าที่มีในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนพระเยซูจะรักษาพวกเราที่พระเจ้าพระบิดาได้มอบไว้ให้กับพระองค์มิให้หายไปสักคนเดียวพี่น้องครับไม่หายไปสักคนเดียวนะครับ นี่คือสิ่งที่การันตีเรากลับไปดูในข้อสามสิบเจ็ดนะครับข้อสาเจ็ดกล่าวว่าสารพัพที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยพี่น้องครับพระเจ้าของเราพระเยซูขอเรารักเรามากถ้าเรามาหาพระองค์เรากลับใจใหม่เราสารภาพบาปแล้วกลับมาหาพระองค์พระองค์ให้โอกาสที่สองเสมอพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองครับพระเยซูจะไม่ทิ้ง เราเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่แล้วลมใจผมมากหลายในครั้งทีเดียวเราได้ทําผิดเราห่างจากพระเจ้าเราทําให้คนสะดุดเราเองนั่นเป็นอุปสรรคเยอะแยะมากมายครับที่เรารับใช้พระเจ้าเราลืมไปเราลืมไปที่จะดูตัวเองว่าเรานั้นเมื่อรับใช้พระเจ้าแล้วเรายิ่งห่างจากพระองค์พระเยซูประทานเอาโอกาสที่สองให้กับพวกเราเสมอครับในขณะที่พระเยซูบอกว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเราเลย เรามาหาพระองค์เราจะไม่กระหายอีกเราได้พระองค์เราเต็มอิ่มครับเราไม่อยากได้อย่างอื่นอีกและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระองค์รักษาผู้ที่ไปบิดามอบให้กับพระองค์ก็คือพวกเราไม่ให้หายไปสักคนเดียวนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือพระคุณของพระเจ้าประชาชนนั้นไม่เข้าใจนะครับในข้อห้าสิบเอ็ดประชาชนไม่เข้าใจ พระเยซูก็เลยอธิบายต่อไปว่าอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราคนยิวก็ถามครับคนนี้จะเอาเลือดเนื้อมาให้เรากินได้อย่างไงพี่น้องครับเลือดเนื้อของพระองค์นะครับพระเยซูกําลังตัดพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนของพระองค์พระเยซูกําลังพูดถึงพิธีมหาธนิษฐศักดิ์สิทธิ์พูดถึงพระวรากายและพระโลหิตของพระเยซูในพิธีมหาธนิษฐศักดิ์สิทธิ์นั้นเราไม่ได้กินเนื้อหรือดื่มเลือดของพระองค์นะครับ จริงๆขนมปังและเหล้าองุ่นนั้นเป็นสัญลักษณ์ถึงความจริงที่ว่าพระเยซูนั้นได้ทรงมอบพระวรกายของพระองค์ให้ถูกตรึงกางเขนเพื่อเราและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงสลัพระโลหิตทุกหยาดของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อความผิดบาปของมนุษย์ชดใช้ความผิดบาปของมนุษย์พี่น้องครับในมัทธิวยี่สิบหกนะครับบทที่ยี่หกเขายี่หกบอกว่าพระเยซู ย, ยืนต่อหน้าเหล่าสาวกและพระองค์ตรัส นะครับว่านี่เป็นกายของเราหลังจากที่พระองค์หยิบขนมปังขึ้นมานะครับหลังจากที่เปียซูหยิบถ้วยเงุ่นตัดว่านี่เป็นโลหิตของเราเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลังออกหลังออกเพื่อ ย, ยกโทษบาปคนเป็นอันมาก <c oughs> พี่น้องครับสาวกผู้ใกล้ชิดพระเยซูนั่งรอบโต๊ะอยู่พระเยซูรู้ว่าครับว่าพระเยซูใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบกับพระกมภีนะครับผู้ที่กินเนื้อและดื่มเหลวของเราก็มีชีวิตนี้แหละ เน่ยครับยอนจบพระดำรัสของพระเยซูในเรื่องอาหารแห่งชีวิตด้วยข้อ59ครับโดยจัดถึงสถานที่ที่พระเยซูสอนอยู่ว่าเป็นธรมารมศาลาแห่งเมืองคาเปร์นาอุมพี่น้องครับธรมารมศาลานี้เป็นธรมารมศาลาที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคนที่ไปอิสราเอลนั้นจะได้ยืนอยู่บนรากนะครับที่ฐานจริงๆของธรมารมศาลาที่คาเปอร์นาอุมนี้ข้าพเจ้าอวยพรครับเพื่อที่ให้พี่น้องที่รักทุกท่านจะได้รับพระคุณ ความรักของพระเจ้าและรับพระพรของพระองค์ทุกๆวันอาเมน